อ่ะเตรียมพร้อมไล่สเต็ปไปนั่งคู่บันลงังม้วนขาเข้ามาจะเอาขาขวาทับขาซ้ายก็ได้หรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งพับเพียบก็ได้แต่ ให้ลำตัวตั้งตรงตั้งกายให้ตรงแม้ว่าโดยปกติเราไม่ตรงแต่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราประคองให้ตรงเพราะความตรงของกายด้วยการประคองเนี่ยมันเป็นความรู้ตัวมันเป็นความรู้ตัวเราก็อาจใช้ความรู้ตัวที่มีอยู่นี่แหละไอ้ความรู้ตัวนี้ใช้ได้หมดนะมันทำให้ทำให้ร่างกายเราพร้อมสําหรับที่จะทําอะไรก็ได้อืม บร่างกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าดึงจิตความรู้สึกทั้งหมดกลับมาอยู่เฉพาะหน้าของตนถ้ามันอยู่เฉพาะหน้าแล้วยังไม่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ระลึกถึงใบหน้าตัวเองเอาความรู้สึกมาไลา่ความรู้สึกที่ในใบหน้าของตนเอง จิตเรานะขณะนี้มันไม่ไปเกาะไปแกะไปเกี่ยวอยู่ที่ไหนอะไรลากไปมันก็ไม่ไปเพราะตันนี้กําลังรู้สึกอยู่ที่ใบหน้าเคลื่อนไหว อ, อยู่ที่ใบหน้าของตัวเองเรื่องหน้าบังบนหน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาจมูกคางปากให้มันรู้สึกยึบยบยุบยุบยุบยุ บ, บเคลื่อนไปไปเรื่อยทั่วใบหน้าของตนไว้ก่อนเจ้าเรียกว่าปริมุขังสติงอุปัตเตตวะ ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าจิตมันพร้อมจิตมันพร้อมตั้งตัวให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านี่เรียกว่าความพร้อมสองประการวันนี้เราจะรู้ลมหายใจด้วยอาณาปานสติที่ว่าลมหายใจของเรามันออกทางช่องจมูกก็เข้าทางช่องจมูกเราก็เลื่อนจิตของเราจากใบหน้านั่นแหละไปข้าดูที่ช่องจมูก ที่ลมหายใจมันออกที่ลมหายใจมันข้าวไม่ต้องไปคิดไปตั้งคำถามไปตั้งข้อสงสัยอะไรให้มันมากปฏิบัติกันซื่ อ, อเมื่อพระพุทธบอกว่าโซสโตวะอัศติคือมีสติรู้อยู่กับลมหายใจออกมีทติรู้อยู่กับลมหายใจข้าวก็คือเมื่อก่อนเราหายใจข้าวหายใจออกเราไม่รู้เราไปรู้อย่างอื่นเราไปชงกาแฟมั่งดื่มน้ามั่งซักผ้ามั่งหุงข้าวมั่งดูทีวีมั่ง นั่นก็เราก็หายใจอยู่แต่ตอนนี้เราไม่ทําสิ่งเหล่านั้นพอลมหายใจออกเราก็รู้กับลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราก็รู้สึกกับลมที่หายใจเข้าแค่นั้นเองในทางการปฏิบัติมันง่ายๆไม่ต้องไปสงสัยคำถามอะไรทั้งนั้นแค่ทาตามที่บอกที่พระพุทธเจ้าทรัสสอนนี่มันง่ายที่สุดลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้น่ะ ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นแะแต่ให้ดูลมหายใจออกก่อนดูลมหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติที่เห็นการรู้ตามธรรมชาติที่ลมหายใจมันไหลได้มากได้มากกว่าลมหายใจเข้าแต่ถ้าเราเริ่มต้ น, ตนที่หายใจเข้าเวลาเราจะหายใจเข้ามันจะมีการกระชากของของจิตต่อลมหายใจที่ไหลเข้าไปจะมีความกำหนดซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าจิตที่รู้ แต่ถ้าเราไปรู้รวมหายใจที่ไหลออกการไหลออกของลมหายใจนั้นมันเป็นธรรมชาติมากกับการที่จิตเข้าไปรู้การไหลของลมเพราะนั้นยวมีการกำหนดคือความตั้งใจที่จะรู้นั่นน่ะน้อยๆ้แต่การรู้นั้นน่ะจิตที่มันรู้นั้นมันมีนมกำลังมากพราภาวนารู้รู้ลมหายใจออกอย่างไรที่นี้มันจะไปรู้ลมหายใจเข้าอย่างนั้นนี่ พอจิตเกาะรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าแล้วเราก็เดินการภาวนาของเราไปเรื่อยรู้ไปอย่างนี้แหละถามว่าหลวงพ่อรู้อย่างนี้แล้วต้องทำอย่างไงต่อทําอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆรู้อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไลออลหจไลเข้ารู้อะไรเกิดขึ้นก็ไปรู้สิ่งที่เกิดและไม่ยึดไม่หลงไม่ไหล ไปกับสิ่งที่เกิดแค่รู้ตามความเป็นจริงสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นพ อ, พอมันดับไปก็รู้ว่ามันดับไปไม่ไปพอวงวงใยพัวพันอยู่กับสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นและพอจิตพอสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันหายไปจิตจะไปไหนกลับไปที่ลมหายใจอย่างเดิมมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้แค่นั้นแะ อะไรที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นจิตเห็นอกุศลเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามันคืออกุศลมีเสียงกระทบอกุศลเคลื่อนมีกลิ่นกระทบอกุศลเคลื่อนอยู่จิตหน่วงถึงอดีตหน่วงถึงอนาคตถ้าเกิดเป็นอกุศลเคลื่อนไว้ขึ้นที่จิตแค่รู้ว่าขณะนี้มีอกุศลเกิดขึ้นที่จิตจิตรู้เห็นอกุศลที่เกิดก็เกิด แล้วพออกุศลนั้นมันดับไปจิตไม่ยอมไปอยู่ในอานาจของอกุศลนั้นหันอกุศลนั้นดับไปปั๊บจิตยกกลับมารู้ลมหายใจแต่ถ้าอากุศลที่มันเกิดอยู่แล้วมันตั้งอยู่แล้วมันปรุงแต่งต่อเนื่องไม่ยอมดับจิตรู้สึกว่าทําไมมันมีอกุศลอยู่างนี้ทิ้งเลยแล้วยกจิตกลับมารู้ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ไม่ยอมให้จิตรู้ไปอยู่ในอํานาจของอกุศลยกจิตกลับมารู้ลมหายใจเสีย เมื่อจิตมารู้ลมหายใจแล้วหันไปดูอาุศลมันดับแล้วก็หันไปรู้ว่าอ๋ออาุศรตัวนั้นดับแล้วแล้วยกจิตกลับมารู้ลมหายใจไอ้อย่างนี้เรากำลังจะเป็นนักปฏิบัติธรรมชั้นดีเพราะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของอาคศสุมนั่งจับไปเรื่อยเรื่อยรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ได้เรานั่งไปนานๆแล้วมันเมื่อยมันปวดเราก็รู้ความเมื่อยความปวดแต่ถ้ามันไม่อยากจะทนเพื่อที่จะให้การรู้ลมหายใจมันสัปยะมากขึ้นเราจะปรับเปลี่ยนท่านั่งเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้นะไม่ใช่ว่าบังคับไม่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยสติไม่ใช่เปลี่ยนด้วยความตันไม่ใช่เปลี่ยนด้วยตัณหาเปลี่ยนด้วยตัณหาแล้วนั่นความว่าจิตมันอยากหาความสบายเพราะมันอยากหาความสบายเสร็จ มันก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วรู้สึกมีความสุขอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนด้วยตัณหาแต่จิตเห็นความปวดความเจ็บความเมื่อยที่มันบีบคั้นกายบีบคั้นจิตทําให้การภาวนาของเราไม่สะดวกกับการรู้ลมหายใจเนี่ยมันติดขัดเราก็เอาจิตไปรู้ด้วยสติแล้วก็ยกขาสับเปลี่ยนช้าๆด้วยจิตรู้เปลี่ยนปุ๊บหยุดปุ๊บเห็นเวทนาทุกกาเวทนามันหายไปปึ๊บก็หยิตไปรู้ลมหายใจ มันจะไม่มีความเย่อหยินดีมันไม่มีความสุขไม่มีอะไรเข้ามาพัวพันกับจิตเรียกว่าเคลื่อนไหวด้วยสติ <c oughs> ค ว, <c oughs> ความง่วงมันเข้ามาอย่ายอมมันตั้งกายให้ตรงแล้วยกจิตเข้าสู่ลมหายใจทันทียืดกายให้ตรง แต่มันเมื่อยมากๆากามันเมื่อยปวดมากๆากก็สัเปลี่ยนอิยาบวดได้แต่ให้เปลี่ยนด้วยสติเปลี่ยนช้าชาจิตรู้กำหนดการเคลื่อนไหวการปฏิบัติของเราก็จะต่อยอดต่อเนื่องไปไม่ขาดตอน ยกจิตมาที่มือข <c oughs> ้างขวาขยับปลายนิ <pun> ้วมือขวาให้จิตรู้สึกช้าช้าขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกที่ปลายนิ้วมือขวาแล้วยกมือขวาเคลื่อนช้าช้าไปวางไว้ที่ข้อขวายกจิตมาที่ฝ่ามือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วเคลื่อนมือซ้ายช้าช้า ไปวางไว้ที่เขาซ้ายแล้วยกจิตกลับมารู้อยู่เฉพาะหน้าของตนประหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิหรือโดนจงกรมเนี่ยพอเรานั่งเสร็จออกจากสมาธิออกจากจงกรมเรามาเข้าจิตเรื่องจิตหมดปกติ หมดปกติคือว่าจิตที่พร้อมจะเสวยอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนาคนาที่เราออกจากการภาวนาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีสติจะมีอุเบกขาอยู่ที่อุเบกขาตัวนี้ก็หมายความว่าจิตจะนิ่งอยู่ที่กายอยู่ที่กายเป็นความรู้ตัวเป็นความรู้ตัวเป็นความพร้อม เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้นเนี่ยมันจะเห็นด้วยจิตปกติที่มีสติสมาธิและปัญญาจากการฝึกฝนเวลาเรานั่งปิดตามันก็จะอย่างหนึ่งแต่ว่าเราลืมตาเปิดหูลืมตาแล้วก็พาตัวเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยถ้าสติสมาธิที่มีอยู่ การที่จิตจะไปสวยอ า, ารมณ์หรือจะเคลื่อนไหวความคิดที่เป็นอกุศลมันจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเห็นได้ง่ายแต่เราต้องกล้านะในการปฏิบัติมีอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยคิดจะทำกันคือการกล้าสำหรับที่จะละอกุศลที่เกิดขึ้นการกล้าสำหรับที่จะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของความคิดที่เป็นอกุศล เพราะการปฏิบัติการเรียนรู้ธรรมะของเราเราต้องปฏิบัติได้เรียนรู้ศึกษาแยกแยะให้ออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่เป็นกุศลอะไรที่เป็นอกุศลเราต้องแยกแยกให้ออกนี่คือการเรียนพอมันมีเกิดขึ้นกับเราอกุศลเกิดขึ้นความคิดที่เป็นอกุศลเคลื่อนไว้ขึ้นที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีความกล้ากล้าในการที่จะละอกุศล กล้าสําหรับที่จะไม่ยอมอยู่ในอํานาจของอกุศลถ้ามันสําเร็จไปได้สักตัวหนึ่งเนี่ยถ้าอากุศลที่เคลื่อนไหวสําเร็จกิตของอกุศลนั้นสร้างสมมาเป็นอาสวะถ้าอากุศลที่เคลื่อนไหวไม่สําเร็จและอกุศลนั้นเกิดขึ้นดับไปโดยที่จิตรู้เห็นชัด ในการเกิดการดับของอากูส น, นั้นจะสะสมเป็นบารมีเรียกว่าถ้าปล่อยให้อากูศลเกิดขึ้นและสำเร็จกิจของอคุศล น, นั้นมันจะเป็นความสกปรกของจิตเพิ่มขึ้นถ้าอากุศนที่เกิดขึ้นและไม่สเสร็จมรดกิจ ด, ด้วยอกุศนจิตรู้เห็นการเกิดขึ้นและการหายไปในของอกูศลตัวหนึง่ง โดยที่ไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของอกุศลนั้นเนี่ยมันเป็นความสะอาดของจิตมันจึงเป็นการช่วงจิงกันนั่นการปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมชั้นดีมันจะต้องกล้าสําหรับที่จะไม่อยู่ในอํานาจของอกุศลพอทำในอย่างนี้บ่อยๆเราปฏิบัติไปด้วย ในชีวิตจริงเราปฏิบัติอย่างนี้ไปด้วยทำอย่างนี้บ่อยๆจิตก็จะเกิดฮิริโอตะปะฮิริโอตะปะจะเกิดขึ้นเป็นผลจากการที่เห็นอคุล น, นะเห็นอกุศลเกิดและเห็นอกุสลดับแล้วมันจะเกิดฮิริโอตะปะทับมาทาไมมันจังเกิดฮิริโอตะปะล่ะเพราะตัวที่ทำให้เห็นคือสติสมาธินั้น มันมาจากการฝึกฝนมาจากการพัฒนาจิตมันเป็นเงาเงื่อนเป็นเงื่อนงำของวิชามันเป็นสติที่มาจากการภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าอสติอะสติสัมปัญเยอะอะสติถ้าสติไม่มี ถ้าสติสัมปัญญาไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสติสัมปัญญะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นสติสัมปัญญาวิป น, นัสสะหตูปานิสังหตูปานิสังหิอหิริกังอะโนตปังหมายว่าฮิริโอตปะ ฮิริโอตปะของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะวิบัติถูกกำจัดท่นานใช้ศัพท์อย่างนี้เราก็พยายามต้องตีความนะเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีฮิริโอตปะของของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะวิบัติถูกกำจัด ก็ความกล่าความแปลงง่ายก็คือว่าฮิริโอตปะก็จะไม่มีเมื่อไม่มีสติสามัญญาฮิริโอตปะก็จะไม่มีฮิริโอตเปสติฮิริโอตเปอสติฮิริโอตปะวิปันนัสสะหะตูปันีิ โซอตุปนิโซอินทรียสังวรโหติเมื่อฮิริโอตปะไม่มีผู้ที่ไม่มีฮิริโอตปะอินทรียสังวรเนี่ยไม่มีเมื่ออินทรียสังวรไม่มีศีลไม่มีเมื่อศีลไม่มีจิตที่จะมีความเป็นกลางหรือตั้งมั่นเพื่อที่จะเรียกว่า ความตั unlucky. Unlucky. ้งมั่นของจิตไม่มีเมื่อความตั้งมั่นของจิตไม่มีการที่จะไปเห็นตามความเป็นจริงก็ไม่มีการเห็นตามความเป็นจริงไม่มีการที่จะเกิดนิพพิทาวิราคะก็ไม่มีมันตัดขาดหมดเพราะฉะนั้นยิงพูดได้ว่าสติสัพพัญญะเนี่ยเมื่อเกิดเมื่อไม่มีสติสัพพัญญะเนี่ยฮิริโอตปาเขาจะไม่มีไม่มีสติสัพพัญญะอินทรียสังวรไม่มีไม่มีสติสัพพัญญะศีลก็จะไม่มีไม่มีสติสัพพัญญะ สมาธิก็จะไม่มีไม่มีสติสัพยัญญายะถาภูตญยาณทัศนะก็จะไม่มีอะไรก็จะไม่มีมันตัดกาดหมดอ่ะอันนี้คือพ่ อ, พอเขาเจริญสติแต่สติตัวนี้สำคัญมากทีนี้ในชีวิตยิงเราทำได้ไหม เรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าว่าให้หดอวิญญาเหมือนเต่าถ้าอากุศลมันเกิดขึ้นเราเห็นโทษของอกุศลเห็นความคิดไม่ดีได้ยินเสียงของคนคนหนึ่งแล้วมันเกิดความคิดไม่ดีแต่เรายังใช้ชีวิต ร, ร่วมอยู่กับเขาแล้วมันเกิดความหุดหงิดแต่เราเห็นโทษของความหุดนี้ไม่อยากให้จิตของเราตกอยู่ใต้อำนาจของความหุดหงินอ น, นี้ทํำยังไง เห็นโทษเห็นภัยของความหงุดหงิดอันนี้แล้วนี่เรียกว่าเห็นความคิดของความไม่ดีที่เคลื่อนไหวอยู่ที่จิตแล้วแต่ไม่ไอวัชานุโคไม่ต้องการตกอยู่ในอำนาจของมันแต่เราไม่สามารถที่จะยกจิตออกมาได้ไม่สามารถที่จะทำให้มันสหบลงได้ไม่สามารถที่ให้มันดับได้ในกรณีนั้นทำอย่างไรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่า คุมโมววังคาร์นิสเกกลาเปสโบดหังพิกุมโนวิตักเกเป็นต้นนะความก็คือว่าเมื่อประสงค์ที่จะให้เป็นอย่างนั้นให้หดอวัยวะทางหาเหมือนเหมือนเต่าหดอวัยวะทางหาเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกมันเดินวนรอบตัวเตา่าเต่าทำอะไรได้หดอวัยวะเข้าไปอยู่ในกระดองทั้งหมด เอาไว้เอว่าหดไปอยู่ในกระดองแล้วไอ้ธูนักกิ่งจอกก็เดินวนวนวนหทำอะไรไม่ได้สุดท้ายมันก็หายไปเองเพอหายไปเองเต่ารู้ว่าสูนักกิ่งจอกจากไปแล้วก็ปลัว่าปลัวว่าเยาออกมาจากกระดองได้เออวิธีการนี้เรียกว่าเป็นเคล็ดวิชาของพระพุทธเจ้าสําหรับที่จะให้เรามาใช้กับการเคลื่อนไหวการดับอกุศล น, นั้นพระเจ้าถึงบอกว่าอย่างเงี้ยหวดเอาไยาว์จัง่ะหดไปไหน ก็ถึงจเจริญสติกัหดเข้าไปอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งอันเป็นกายและใจเนี่ยที่ตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางออกแห่งจิตที่จิตเราจะไปเข้าไปสวยอารมณ์แล้วนิวรณทั้งห้าอันเป็นอุปกิน์เลชแห่งจิตก็จะครอบมั่กระชากลากชากจูงเราไป ก่อตัวขึ้นมาเป็นอคุศนเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตได้อันนั้นเป็นสุนักยิ่งจาะมันเกิดขึ้นแล้วมันจะกินยึดกินพื้นที่จิตเราแล้วเราจะทํำยังไงเราก็หดจิตออกมาให้ไปอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่มันบริสุทธิ์ที่เจ้าเรียกว่ า, าบันเทยเย ว, วังสกังจิตตังสติยารามาเดดันหังผูกจิตของตนไว้ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติ อ้าวมันมันดับม่อเกิดอยู่แล้วมันไม่ยอมดับอะ่ะมันไม่ยอมดับเราทำยังไงก็ยกจิตเข้าไปสู่ลมหายใจสิเออลมหายใจจึงเป็นอารมณ์อันเดียวที่จิตเข้าไปดูรู้เห็นการเคลื่อนออกเคลื่อนเข้ารู้ที่อยู่กับลมหายใจที่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้าน้มันเป็นรู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือมันไม่มันเป็นอนิสิตาไม่มีตัณหานิสัยไม่มีทิฏฐินิสัยไม่มีมานะนิสัยอยู่ พอรู้อยู่อย่างนั้นสักระยะหนึ่งอกุศลที่มันเกิดอยู่มันอยู่ไม่ได้เพราะมันยึดจิตไม่ได้เรายกจิตกลับมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวนี้เทแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้มันดับไปจิตที่หดมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวนี้ก็รู้ว่ารดับไปของอากุศลนั้นเนี่ยมันเป็อย่างนี้ต้องสู้กันอย่างนี้พอจิตไปรู้การดับไปของอกุศลนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ให้กับจิตที่ไม่อยู่ในอำนาจของอกุศล เป็นประสบการณ์ให้กับจิตไม่อยู่ในอำนาจของอกุศลเป็นประสบการณ์ให้กับจิตที่รู้เห็นการดับไปของอกุศลเป็นประสบการณ์ให้กับจิตที่รู้การเกิดการดับไปของอกุศลโดยที่จิตไม่ต้องไปตกอยู่แต้มหน้าเป็นประสบการณ์ให้กับจิตที่เกิดความรู้สึกเบื่อและรังเกียจอกุศลเป็นประสบการณ์ให้กับจิตที่รู้จึดละอายต่ออกุศลที่เกิดขึ้นทำอย่างนี้บ่อยๆต่อไปความละอายและความสะดุ้งของจิตเมื่ออกุศลปรากฏมันก็จะเกิดขึ้น เพราะว่าถ้าเราซักผ้าให้ขาวขาวขาวสะอาดอยู่เรื่อยๆเมื่อตอนที่ผ้าเราไม่ค่อยสะอาดเนี่ยความเศร้าหมองความสุกปรกชิ้นใหญ่ๆแตะเนี่ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่เราซักผ้าเราไม่สะอาดอยู่เรื่อยๆสิ่งสุกประกเล็กๆน้อยๆแตะเนี่ยเรารู้เลยเรารู้เลยเรารู้เลยเหมือนกันจิตเหมือนกัน จิตเมื่อเห็นการเกิดดับของอกุสลนฮีริโอตปาปาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นความสะอาดของจิตก็จะปรากฏที่นี้เวลาอากุสสนเคลื่อนไหวอกุสสนเล็กๆน้อยๆหยาบๆกลางๆแล้วแ ต, แต่แบบไหนเกิดขึ้นมาจิตจะเกิดการสะดุ้งทันทีจิตจะเกิดความสะดุ้งทันทีเพราะจิตอยู่โดยประะาศจากอกุสลนพอมีอากูสลปรากฏปับ๊บมันก็เหมือนกับว่า มันมีฮีริโอตปาปะออกมาทํา ง, งานทันทีเมเกิดความสะดุ้งหวัดนกลัวต่วออกุศลเหล่านั้นรังเกียจอกุศลจิตเลยไม่ยอมไปอยู่ใต้อํานาจของอาคุศลนั้นเมื่อใดที่จิตไม่อยู่ในอํานาจของอาคุศลนั้นล่ะพระพุทธเจ้าว่าปปโปตาดีโซพิกุพุดทุ่งสัมโพธิมุตตมะผู้เป็นเช่นนั้นน่ะควร เป็นผู้ที่ควรอยู่ในเส้นทางแห่งความรู้อันสูงสุดพุดทธุนพุทธุงสัมโูทิมุตตะมังปัปโบปฏิปันโนโจไอปัปโบตาดิโซพิกุพุทธุงสัมปูทิมุตตะมังผู้เช่นนั้นอาควรที่อยู่ในเส้นทางอันนี้แต่ถ้าไม่สามารถที่จะเห็นการดับไปของอกุศล พวกนี้จะหลุดออกนอกเส้นทางทำไมเคียดอะแต่อกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตที่สำเร็จไปแต่ละครั้งแต่ครั้งมันขังเราไว้ในนรกจริงๆขังในนรกขังแบบไหนอะขังให้มันเดือดร้อนเร่าร้อน ให้มันเกิดการปริลาโหเนี่ยเร่าร้อนลนลานแล้วท่านลองสังเกตถ้าเมื่อใดที่เรามีความรู้สึกเป็นตัวเองสักแปดสิบเอร์ซนในการที่รู้สึกว่าเราไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของความไม่ดีอะไรที่เราเคยไรย้ไร้ไ้ามาแล้ววันหนึ่งเรามีความรู้สึกด้วยความเป็นตัวเราเองสักเจ็ดสิบเปอร์พแล้วเราไม่อยู่ใต้อำนาจความเร็วความไม่ดีของเราของเราเอง และเราสามารถจัดการกับความไม่ดี น, นั้นด้วยสติปัญญาของเราที่มีอยู่ได้โดยที่เราไม่อยู่ใต้อำ น, นาจของความเลีนเราจะเห็นคุณค่าของของความรู้สึกที่เรียกว่าความสกบอันเกิดขึ้นจากการที่จิตไม่ต้องไปอยู่ใต้อำ น, นาจของความไม่ดีที่เกิดถ้าใจมันโกรธโบโหนะ้นั่เนี่ยแต่ว่าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของความโกรธความโบโหนั้นนะ มีสติมีสัพพัญ ญ, ญามีปัญญามีวิธีการจัดการเพื่อให้อ่อาอกุศลที่เกิดอยู่นั้นระหับได้และจิตมันปลดโซ่ของอากุศลนั้นออกไปเกิดความด่าเกิดความสะบขึ้นมาแล้วเราจะเห็นคุณค่าว่าฉันทําไปได้อย่างไรอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสุขเกิดจากอากุศลดับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มันเกิดขึ้นมาแล้ว ว่ามันไม่ได้อะฉันมันยอมไม่ได้โอ้ยศักดิ์สิทคนอย่างฉันมันโอ้โหมันปรุงไปเลยจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นคุกขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียตองจ้างธนงจ้างทนายมันก็ยังทําของมันได้นะไม่เงินไม่พอขายถุงขายสวนขายบ้านขายรถเพื่อเอาเงินมาแล้วก็เพื่อยังให้อยู่ในเส้นทางนี้มันจะทูบปรุงกันไปเนาโอ้โหเข้าทางเขาเลยเนี่ยพอว่าซาลุโค สั้งกับปานังวาซานุโค่อะตกอยู่ใต้อำ น, นาจของอาคุศลเมื่อใดแล้วก็เรียบร้อยเลยมันปรุงรากชาติหมดนะแต่ถ้าเราดับตอวที่มันเคลื่อนไหวเป็นอกุศล น, นั้นได้นะโอ้โหความสะอบที่เกิดจากการที่อกุศลดับเราจะเห็นว่าไอทิฏมานะตัณหาทิฏมานะที่มันเพ่นพ่านอยู่นะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นอริยะ ไม่จำเป็นต้องเป็นพระอริยะที่ละได้เราก็จำเป็นจะต้องระ ง, ง, งหับหยุดยั้งมันถ้ารมไม่ระงหับหยุดยั้งมันมันก็จะเสาะเกาะกินเจ็ดเราเหมือนเหล็กที่เกิดอยู่ในเนื้อเหล็กเหมือนสนิมที่เกิดอยู่ในเนื้อเหล็กสนิมที่เกิดอยู่ในเนื้อเหล็กมันจะกัดเสาะเหล็กนั่นนะจนพังนะมันไม่ใช่ว่าโอ้ต้องเป็นพระอริยะเท่านั้นไม่จาเป็น แม้แต่ชีวิตเราปุถุชนคนเดินดินอย่างพวกเราทำเช้าหากินเช้าหากินขําเนี่ยแหละจำเป็นที่จะต้องยับยั้งอกุศลยิ่งกว่าเป็นพระอริยนะนะไอ้กฎหมายกี่ทากี่ฉบับกี่เชบับบกี่มาตราระเบียบที่วางไว้วางไว้วางไว้วไวนั่นน่ะมันเพื่ออะไรเพื่อป้องกัน ไม่ให้คนตกอยู่ในอำนาจของอกุศลแต่มันป้องกันที่ปลายเหตุไงมันเข้าไปไม่ถึงมันเข้าไปไม่ถึงไอ้ที่ความผิดทั้งหลายที่มันปรากฏอยู่ในโลกใบนี้มันเกิดมาจากไหนเกิดจากการที่จิตมันตกอยู่ใต้อำนาจของอกุศลแล้วมันก็ปรุงออกมาในชีวิตใน ช, ตชีวิตจริงแล้วก็อ้างเอาั้กนั้นน่ะ อ้างเอาเพื่อให้อกุศลนั้นมันเกิดความชอบธรรมเขาหาเรื่องฉันก่อนอที่นี่ฉันมาถึงก่อนอะไรเงี้ยคือฉันฉันเนี่ยมันต้องมาเป็นหลักเียว่าอหังการะมานะการมามามานุัสความขังตัวความควักตัวของความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรา ความขวางตัวความควักตัวที่จนกระทั่งมันรู้สึกว่าเป็นของเราตัวเราของเรามาอย่างนี้แลเนี่ยแล้วมันก็จะพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เห็นว่าอากุศลของตัวเองนั้นนะชอบทำอธิบายไปเถอะจ้างรักษาไม่พอไม่พอก็จ้างพยานเทศเข้ามาก็ม <c oughs> ีเพื่อให้มันเกิดความชอบธรรมคือยังไงยังไงเสียฉันจะต้องอกุศลนะ อกุศลมันบอก ว, ว่ายังไงเสียยังไงเสียฉันจะต้องยึดพื้นที่จิตนี้ไว้แล้วดึงมันมาให้อยู่ในอำนาจของฉันให้ได้พระเจ้าว่าวัดสนุคโคสังกปานังยึดมันไว้ให้มันอยู่ในอำนาจนี้ให้ได้ท่านจึงว่าเหมือนถูกขังไว้ในนรกไม่ออกออกไม่ได้สัตี่ถูกขังไว้ในรกออกไปไหนได้ไหม ออกไม่ได้เพราะอะไรอะเพราะไฟนรกมันจะอยู่รอบตัวเดินไปทางนี้มันก็เผาเดินไปทางนี้มันก็เผาเดินไปทางนี้มันก็เผาเดินไปทางนี้มันก็เผาอยู่เฉยๆมันก็เผา <c oughs> ไฟนรกไฟนรกที่ว่าร้อนร้ายเท่าไรยังไม่สู้ไฟสามกองคือราคคิโทตักคิโบหักคิที่อยู่ข้างในอันอยู่เบื้องหลังของอกุศลที่เคลื่อนไหวอยู่ที่จิตของเราแต่ละครั้งแต่ละครา แล้ววันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งเราเคลื่อนไหวอกุศนกี่ครั้งอกุศลมันเกิดมันเกิดด้วยอํานาจของนิวรณ์ด้วยอํานาจของไ อ, อ้ไฟพวกนี้มันไม่ได้เกิดด้วยเรานะมันไม่ได้เกิดด้วยจิตไม่ได้เกิดด้วยตาไม่ได้เกิดด้วยหูไม่ได้เกิดด้วยทาสี่มันเกิดด้วยอํานาจของโบหะนันทิอวิชชาทั้งนั้น แล้วเราจะมาโทษตาโทษหูโทษมือโทษก้โทษแขนโทษขาโทษชื่อนั่นชื่อนี่ไม่ได้ทแท้จริงเ้าเกิดมันก็เกิดด้วยบโนู้นที่มันเกาะซ่อซึมจิตเราอยู่นั่นแหละดันั้นถ้าผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นถ้ารู้เห็นจึงจะรอดถ้าไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่รอดการที่จะรู้เห็น มันจะต้องมีสิ่งซึ่งจะต้องรู้ต้องเห็นฝึกขึ้นมาอันพระพุทธเจ้า ว, ว่าปัปโ ป, า ต, โปาตารีโซวิขุผุดุถุงสัมโพธิบุตตมังเราจะต้องอยู่ในเส้นทางของผู้ที่จะรู้ถึงตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดอยู่ในเส้นทางของผู้รู้มันจึงเกิดรู้เกิดเห็นขึ้นมาเวลามันรู้มันเห็นเนี่ยมันหมายความว่า มันด้วยใจที่เป็นกลางณขณะนั้นตัวที่ทําให้ใจที่เป็นกลางขณะนั้นคือตัวที่มีสติสมาธิและปัญญาที่อยู่ด้วยกันมันแค่รู้แค่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นว่าอากุศลที่เกิดขึ้นณขณะนี้อกุศลเกิดขึ้นแล้วที่จิตเรามันเกิดขึ้นแล้วมันยังตั้งอยู่และจิตไม่อยู่ในอํานาจของอกุศลนั้นอกุศลนั้นมันก็ดับไปเพราะอากุศลนั้นดับจิตเห็นอกุศลนั้นดับไปด้วย อย่างนี้เรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นปัจโตนติภยังภัยของผู้ที่เห็นอยู่นี้จึงไม่มีเราจึงเรียกว่าไม่ใช่ผู้ที่ถูกขังไว้ในนรกแล้วเราจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติชั้นดีเช้านี้พอท้องควรแก่เวลา